วันนี้เดี๋ยวศึกษาคำสอนของพระเจ้ากันช่วงนี้เราอยู่ในระหว่างการศึกษาคำภี์สถิตฐานกันอยู่ครั้งที่แล้วก็ศึกษาพูดในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับทานกุศลเจตนาที่เป็นไปกับศีลกุศลแล้วก็พยายามจะขับเน้นเข้าสู่เจตนาที่เป็นไปกับภาวนากุศลเป็นต้นเลยนั้นสิ่งต่างๆตร ง, ง, งนี้ก็คือว่าก็อยากให้เราท่านทัน้งหลายได้มีความเข้าใจในคำสอนของพระเจ้าให้มากขึ้นน่น ในการที่จะสืบค้นคําสอนของพระบรมศาสดานั้นมีความจําเป็นในกรณีการที่เราจะต้องทําความเข้าใจค่อนข้างเยอะนะถ้าเราทําความเข้าใจคําสอนของพระเจ้าชัดเจนมากขึ้นโอกาสแห่งการที่จะเอามาไข ค, ควนเอามาวิจัยพิจารณาก็จะชัดเจนบริบูรณ์มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าจะพิจารณาในชั้นของการที่จะพิจารณาในส่วนของทานบา ร, รมีนะ ใน ส, ส่วนของทานพิจารณาในส่วนของศีลพิจารณาในส่วนของเนคข ม, ม้ปัญญาเป็นต้นเหล่านั้นนั้นเป็นหลักการปฏิบัติหลักการพิจารณาก่อนท่านจะสอนหลักการพิจารณาในถ้าหากเดินตามบารมีตามพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะสอนหลักการพิจารณาทานพิจารณาอย่างไรศีลพิจารณาอย่างไรใช่เนคขม้ขมมปัญญาก็สรุปก็คือว่าจะพิจารณาทานศีลภาวนาอย่างไร ถ้าย่อลงมาจากทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาและเวขาย่อลงก็คือทานศีลโพนาใช่ไหมจะย่อลงอีกก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละด้วยหลักปฏิบัติคือคือตรงนี้นะนี่ก็จับประเด็นให้ได้ว่าพิจารณาในเนคขมะพิจารณาในปัญญาถ้าพิจารณาในวิรยิยะในขันติในสัจจะ ในอธิฐานะเมตตาและก็เบียดขานี่คือหลักการพิจารณาในหล ก, การพิจารณาทีนี้พอพิจารณาเบ็ดเสร็จก็มาดูว่าความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นคุณของทานศีลภาวนาเหล่านั้นเป็นต้นอะไรเป็นความผ่องแผ้วอะไรเป็นปฏิปักษ์นี่นะต่อไปก็เมื่อพิจารณาเบ็ดเสร็จเหล่า น, นั้นแะล้วเนี่ยนะก็มาดูในเรื่องของการว่าข้อปฏิบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัตินี่นี่สําคัญมากเลยนะ โดยหลักการเนี่ยยังยกตัวอย่างเช่นเราจะปฏิบัติในทานก็ต้องพิจารณาทานถามว่าพิจารณาเห็นอะไรดีพิจารณาเห็นโทษโทษของการไม่ให้เห็นอา น, นิสงส์ของการให้ใช่ไหมถ้าพิจารณาศีลแหะพิจารณาเลยพิจารณาเห็นโทษน่ยนะของการทุศีลและอ น, นิสงส์ของการมีศีล น, นี่ก็หลักการพิจารณาอย่างเงี้ยถ้าเรามองดูในชั้นของทานนี่นะตามลําดับบอกว่าการไม่บริจาคและการบริจาคเป็นต้นเนี่ยนะ ป็นปัจจัยเนียในกรณีที่ว่าการสละและการไม่สละเ น, เนี่ยพิธีพิจารณาคือการนำมาซึ่งความพินาศมากมายจากความเป็นผู้ปรารถนาในวัตถุกรรมอันมีที่ดินเป็นต้นก็อย่างที่บอกว่ากรมนเนี่ยนะไอ้ตัวกรามทั้งหลายเนี่ยมีสองส่วนใช่ส่วนวัตถุกรรมแล้วก็กิเลสกรรมแต่ในที่เนี้ยถ้าเราขับเน้นกันที่ปรารถนาตาหูจมูกล่างกายใจนั้นแปลว่าเป็นอัจฉติกะเป็นภายในเนี่ยนย หรือพาหิลัก็คือเกี่ยวกันในเรื่องวัยภายนอกหลักการพิจารณาก็คือ2 ส, ส่วนเหล่านี้การสแสวงหานี่ก็เป็นทุกข์นะการสแสวงหากามเนี่ยเป็นทุกข์และการได้มามันก็ต้องทุกข์เพราะการรักษาที่สุดจริงๆก็คือว่าก็ ร, รักษาไว้ไม่อยู่อยู่ดีมันก็มีการเสื่อมไปแล้วก็สิ้นไปเป็นต้นเนี่ยมันทุกข์สามการงานไงไดสแสวงหาก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์เมื่อมันแปลมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ โทษของการไม่รู้จากว่าอะไรเป็นสิ่งหน้าว่าควรสแสวงหาอะไรไม่ควรสแสวงหาพระศา e a, ส, สดาบอกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาไหมก็เธอไปแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกแล้วก็แสวงหาสิ่งที่มีสังกิเลสน่ยคือความเศร้าหมองทั้งหลายเป็นธรรมดาเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้มันนำมาซึ่งชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทีทุกข์มรณะทุกข์มันนำมาซึ่งโศกความโศกความร่ลารลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจพระเจ้าก็ตรัสสอนลงไปว่าอะไรคือมีความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาทรัพย์ไงชื่อว่าเป็นการแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาบุตรไงแสวงหาภรรยาไงแสวงหาสามีไงแสวงหาย่อมอไม่ได้แสวงหามาเอง สแสวงหานั่นแหละบที่เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราสแสวงหาจะรู้อีกทีก็โอ้ยใช่ไหมกว่าจะรู้ก็เพิ่งมานั่งเรียนวัฒนธรรมนี่แหละว่าเราสแสวงหาแต่ก่อนรู้ที่ไหนละโมหะปิดใช่ไหมขนาดปิดยังอยากสแสวงหาใหม่แล้วตอนใช่ไหมดูที่เนี่ย <laughs> พุระเจ้าบอกนี่ไงการสแสวงหาบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปโศกไปผิดหวังอีกมากมายในสังสารวัฏหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบเนะือแล้วไปสแสวงหาตาหูจมูกล่างกายใจเนี่ยมันสแสวงหาผิดมันไปสแสวงหากามอุปมาครั้งที่ก่อนเนี่ยอุปกามอุปมากี่อย่างนะท่านมาเข้าอุปมากี่อย่างสแสวงหาชิ้นเนื้อใช่ไหมก็ก็่ไหม แรงอ่ะที่มันคาบชิ้นเนื้ออยู่นั้นอ่ะถามว่าเมื่อมันมีชิ้นเนื้อเหล่านั้นมันก็มีแล้งตัวอื่นก็อยากจะกินมันก็อยากจะกินใช่ไหมเมื่อมันอยากจะกินเงี้ยมาไปเสร็จมันก็ต้องมาแย่งกันไม่แย่งกันก็จิกกันจิกกันก็ตีกันในส่วนจริงก็ตายเจ็บปางตายที่นี่กรเพราะการแสวงหาผิดพลาดเมื่อเราแสวงหาตาหูจมูกลิ้นกายใจยตอนเนี้ก็คือเราได้ชิ้นเนื้อได้ก้อนก้อนเนื้อมาก้อนหนึ่งแล้ว ได้รูปประสันฐานได้นามปสัน ต, ติเนี่ยได้มาแล้วตอนเนี้แล้วตอนนี้เป็นไงแล้วก็ถูกแย่งถูกนะแล้วก็หนีใหญ่ไอ้ที่เสียไปก็เยอะใช่ไหมไอ้ที่เสียไปก็เยอะนะเนี่ยไอ้ที่ได้มานะี่ยไม่มีทุกเพราะการสแสวงหาทุกเพราะการรักษาแล้วมันก็แปลมันก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างเนี้ยนี่แหละแปลว่ามันได้ชิ้นเนื้อชิ้นนั้นมาแล้วพอไปคาบชิ้นเนื้ออยู่ในปากเนี่ยมันก็มีแร้งอีกตัวหนึ่งมาจิกมาตีใช่ไหมมันก็ต่อสู้กัน นี่เขาเรียกศึกชิงกามนี่เขาเรียกศึกชิงกามและและในขณะเดียวกันนี่นะมันก็ต้องต่อสู้ฟาดฟันกันไปเรื่อยๆรื่อยนี่เนอะที่สุดจริงๆก็ไม่รู้บุญรู้บาปยิ่งหนักใหญ่เลยแต่เนี้ยพระศาสดาก็วางหลักกว่าเอ้าต่อสู้กันเนี่ยอยู่ในศีลนี้จะได้ไม่เจ็บปวดมากนักจะได้พ้นจากใบยภูมนะก็สี่ห้ามาวางเป็นหลักไว้เอ้าให้สู้กันในกรอบปองบอกไม่ไหวให้สู้กันในกรอบไม่ไหวแล้วมันก็ไม่เห็นโทษนะนะไม่เห็นโทษก็โดดออกนอกกรอบของศีลก็ไปฟาดฟันห้ามหันกัน ควากลุ่มไม่อยู่กลุ่มที่รู้ทัานก็เอาศีลเป็นบาทแห่งปราโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิก็ตั้งยถาภูริยานัทสนะเขาเห็นโทษของกามเห็นคุณของเนกขมมะใช่ไหมพอเห็นโทษของกามเห็นคุณของเนกขมมะเบีดเสร็จก็ประชุมอริยสัจในกระแสใจก็พ้นเยาวะเดือดรุ์มากที่จะคนานานับไม่ได้ส่วนพวกที่ยังไม่เข้าใจความจริงของกระแสของกามทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังต่อสู้ห้ามผ่านกันไปในสังสารวัต ก็ยังไม่รู้จะไปจบหนะ้าที่ไหนวันนี้หันหน้าคุยกันได้แต่ไม่รู้วันหน้าในสังสารวัตไม่รู้จะหันหน้าใส่กันอย่างไรก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่คือสิทธิ์ที่ต้องไปชิงการกันต่อไปเนี้ยเนี่ยใช่ไม่ใช่ก็โทษของกา ม, มันมีมากเป็นแบบนี้นี้ก็มาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ว่าฉะนั้นในกรณีงการศึกษาคําสอนเนี่ยนะถ้ามองอย่างนี้นะเบื้องต้นจริงๆถ้าดูในชั้นของคําสอนเนี่ย เดี๋ยวมาจะให้ท่านมหาานาทอ่านในเรื่องของพราหมณ์เชื่อจูเลกาสาดกเนี่ยนะอ่านในเรื่องนี้ประกอบแล้วมาก็จะขยายวันนี้จะขยายในเรื่องของอในชาดกเนี่ยนะเป็นพุทธพจน์สี่บาทคาถาจะแยกสับแยกอัถฐเป็นไปตามลำดับให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นแนวทางแห่งการศึกษาคำสอนตั้งตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดเนี่ยว่าเขาแยกแยะและก็เพื่อจะเจาะลึกในคําสอนเนี่ยเขาศึกษากันอย่างไรทําไมเขาศึกษาแล้วเขาเข้าใจคําสอนและเข้าถึงอ่าถากคำสอนกันได้ได้ได้ค่อนข้างรวดเร็วท่านมีมุมครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่พระตถาคตอาจารย์พระดีกาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นอลไรเนี่ยตลอดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านวางหลักแห่งให้พุทธบริษัทเนี่ยเข้าถึงคําสอนของพระผู้ทธพระเจ้าให้รู้จักเขตใช่ไหม ที่ทำมันยุตาเนี่ยให้รู้จากผลน่อัตอตัถันยุตาเป็นต้นเนี่ยให้รู้จากตนให้รู้จากประมาณให้รู้จากการใช่แล้วก็ให้รู้จากประมาณรู้จากรู้จกชุมชนนะแล้วก็รู้จากบุคคลเป็นต้นเนียตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของเหตุอ่ะต่อไปก็นิมนต์ขออนุญาตพระอาจารย์เจริญพรญาติโยมเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกตัวอย่าง ของคนในสมัยก่อนนู้นในศาสนาก่อนแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างในเพื่อที่จะประกอบคําสอนในในปัจจุบันนั้นก็จะยกตัวอย่างในคาถาธรรมบทซึ่งเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ชื่อว่าจุเลกสาดกซึ่งนักเทศต่างๆก็เอาไปยกตัวอย่างสมัยหนึ่งนะพราะผู้มีพระภาคก้าประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปราลบพามชื่อว่าจุเลกสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบุคคลพึงรีบขวนขวายทาบุญอภิธริกาปัญญาเนเป็นต้นพรามและพรามณีผัดกันไปฟังธรรมความพิสดารว่าในการแห่งพระวิปัสสีพระทศพลได้มีพามคนหนึ่งชื่อว่ามหาเอกสาดกในสมัยก่อนนู้นชื่อว่ามหาเอกสาดกแต่ในการนี้พรามนี้ได้ชื่อว่า จุเลกษาดกอยู่ในเมืองสาวัตถีภาษาดกสําหรับนุ่งของพราหมณ์นั้นมีผืนเดียวแม้ของนางพราหมณีก็มีผืนเดียวทั้งสองคนมีผ้าหม่มผืนเดียวกันเวลาที่ไปข้างนอกนะพราหมณ์และนางพราหมณีก็จะผลัดกันนะภายหลังวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหารพราหมณ์กล่าวว่านางเขาประกาศการฟังธรรม เจ้าจกไปสู่สถานที่ฟังธรรมในเวลากลางวันหรือกลางคืนเพราะเรามีผ้าแค่ผืนเดียวนะต้องต้องผัดกันไปเพราะไม่มีผ้าผืนอื่นเลยนางพาณีตอบว่านายฉันจะไปในเวลากลางวันแล้วก็ได้ห่มผ้าสาดกไปพราหมณ์ยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันต่อกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟังธรรมทางด้านพระพักทางด้านหน้าพระพัก พัสสาสดาครั้งนั้นปีติ5อย่างคือคุติกาปีติโอกันติกาปีติอุเพงคาปีติพรณาปีติคุติกาปีติคณิกาปีติโอกันติกาปีติอุเพงคาปีติและพรณาปีติได้เกิดขึ้นทราบซ่านไปทั่วสารุเลของพราหมณ์เขาเป็นผู้ใไข่ที่จะบูชาพัสสาสดาจึงคิดว่าถ้าเราจะถวายภาษะดอกนี้ ห้าหมของนางพมณีก็ไม่มีของเราก็ไม่มีจะทำยังไงดีนะก็ได้ต่อสู้กันคราวนี้จิตใจที่มีความตณีเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยโยศรัทธาเกิดขึ้นดวงเดียวความตนีหรือมัดชริยจิตเนี่ยเกิดขึ้นครอบงำศรัทธาหมดเลยมัชชริยะมีกำลังก็คอยกีดขวางศรัทธาดุดจับมัดไว้อยู่ทีเดียวเมื่อเขากำลังคิดอยู่อย่างนั้นจากถวาย หรือจักไม่ถวายปฐมยามก็ล่วงไปผ่านไปแล้วหนึ่งราตีหนึ่งยามครั้งนั้นถึงมัทิมะยามเขาก็ไม่อาจถวายในมัทิมยามได้เมื่อถึงปิมยามเขาจึงคิดว่าเมื่อเราลบกับศรัทธาและมัตเชระจิตนะอยู่จนล่วงไปสองยาม มัดเฉรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้เจริญอยู่จกไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบายสีเราจะถวายภาสาดอกละถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอบายเป็นที่ไปแน่นอนถ้าภผ้าเขาจึงข่มความตณีนะหรือข่มมัดเฉรจิตเนี่ยที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยทําให้ศรัทธาจิตมีกําลังหรือมุ่งหน้าไปนะถือ ภาสาโดกไปวางแทบบาทมูลแห่งพระศาสดาแล้วก็เปล่งวาจาสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าปเสนทิโกโสนกำลังฟังทมอยู่ก็ตกใจธรรมดาของกษัตริย์แล้วเนี่ยไม่ชอบฟังคำนี้เลยพอได้ยินาพามพูดว่าเราชนะแล้วนี่ก็ให้ราชบุรุษไปถามนะก็เลยทราบความว่าอ๋อที่ชนะไม่ใช่ชนะค่าศึกศัตรูอะไร ชนะใจตัวเองนะที่มันประกอบกับความตนนเนีนั่นเองพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วเลื่อมใสนะจึงได้พระราชทานผ้าไปคู่หนึ่งพรามนั้นก็ถวายพระศาสดาหมดเลยเสร็จแล้วกับพระราชาก็เห็นอย่างนั้นก็เลยเพิ่มให้อีกเป็นสองคู่สี่คู่แปดคู่จนถึงสิบหคู่ให้ไปเรื่อยๆนะเขาก็ถวายพระศาสดาหมดเลย คราวนี้ครั้งสุดท้ายพระพระราชาก็เลยนำผ้าสามสิบสองคู่มาให้พรามก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราถวายหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนินทาเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าให้มาเท่าไหร่พระราชาให้มาเท่าไหร่ก็ถวายหมดไม่ไว้หน้ากันเลยพรามก็เลยเก็บไว้สองคู่นะคิดว่าจะให้กับภรรยาด้วยให้ตัวเองด้วยนะแล้วก็ถวายไปสามสิบคู่เสร็จแล้ว พระราชาเมื่อพามนั้นถวายถึงเจ็ดครั้งนะก็มีความประสงค์จับพระราชทานอีกเขาก็เลยตัดมาที่สมัยก่อนนู้นตอนที่เป็นพามมหาสาโดกเนี่ยก็ได้รับผ้าถึง64คู่แล้วก็เก็บไว้สองคู่มาชาตินี้ได้เป็นจุเลกษาดกก็ได้32คู่แล้วก็เก็บไว้สองคู่นะพระราชาทรงบังคับสั่งราชบุรุษว่าพนาย พรามทําสิ่งที่ทําได้ยากท่านทั้งหลายพึงนําผ้ากําพลสองผืนภายในวังของเรามาราชบุตรก็ไปทําไปนํามานะพระราชาก็สั่งให้พระราชทานผ้ากําพลสองคู่ที่มีค่าแสนหนึ่งแก่เขาพรามคิดว่าผ้ากําพลเหล่านี้ไม่สมควรที่เราจะแตะต้องด้วยสัลีระของเราผ้าเหล่านั้นควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงได้นําผ้ากําพลผืนหนึ่งทำเป็นเพดาน ไว้เบื้องบนสถานที่บรรทมของพระศาสดาภายในพระคันธกุลีทำเป็นเพดานถ้าอยากทำก็ปาถนานะโยนะต่อไปก็ขึงอีกผืนหนึ่งเป็นเพดานในสถานที่ทำ พ, พ, พัทธกิจของภิกษุทั้งหลายนะที่ฉันกันอยู่เนืองนิดในในเรือนของตนอ๋อนิมนต์มาฉันที่บ้าน ในเวลาเย็นพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วจำผ้าคำพลของตัวเองได้นะจึงถามว่าใครทำการบูชาพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์เอกะจุเลกะสะโดกนะจึงทรงดำี่ว่าพราหมณ์เลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันจึงสั่งให้พระราชท า, านวัตถุอย่างละสี่ทั้งหมดร้อยอย่างอย่างละสี่รออย่าง มีช้างบ้างมา้าบ้างกรหาปณะนะท่าทาสีบุรุษบ้านสวยอย่างนี้นะอย่างละ4ี0ร้อ ย, อยชนิดภิกสุตรทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าแม้กรรมของพราหมณ์ชื่อว่าจุเลกษาดกหน้าอัศาจรรย์ชั่วคู่เดียวเท่านั้นเขาได้หมวดสี่แห่งวัตถุทุกอย่างเลื่อมใสแค่นิดเดียวเองกรรมอันงามเขาทําในที่อันเป็นเนื้อนาในบัดนี้นั่นแลให้ผลในวันนี้ นนใให้ผลวันน <c oughs> พระศาสดาเมื่อเสด็จมาตรถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนาการด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับทุนว่าด้วยเรื่องของจุเลขาสาดกพระเจ้าค้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าจุเลกาสาดกนี้ไม่อาจเพื่ อ, อสามารถที่จะถวายในปฐมยามเขาจะได้ถึงอย่างละสิบหอย่างสิบหกชนิดร้อยอย่าง อย่างละสิหนะถ้าถวายในปฐมยามถ้าถวายในมันธทิมยามเขาก็จะได้อย่างละแปดหนึ่ง้อยอย่างแต่คราวนี้เขาถวายในปัิมยามเนาะแล้วเราก็ย้อนมากลับดูตัวเราว่าเออเราจะให้ช่วงไหนสําหรับเรานี่มันต้องปฐมยามเท่านั้นบุคคลผู้เมื่อกระทําการอันงามไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทําในทันทีนะด้วยว่ากุศลที่เขาทําช้า เมื่อให้สมบัติด้อมให้ช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามในลำดับที่เกิดความคิดทันทีเลยนะเมื่อจะทรงสืบต่ออนุสนรที่แสดงธรรมจึงตัดพระคาถาว่าอภิทะเลทะกาลยาเนปาปาจิตตังนิวารเยทันทางหิกะระโตปุญญยังป า, ป, าปัสเมิงละมะติมโนบุคคลพึงรีบขวนขวายบุญพึงห้ามจิตจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทาช้า ใจก็จะยินดีในบาปนะเขาก็อธิบายในอัตถกถานะบอกว่าคําว่ารีบขวนขวายอภิทะเลทาเนี่ยหมายถึง ร, รีบรีบทำเขา้า ร, รีบรีบทำทำด่วนด่วนทำเร็วๆคาราหาดเมื่อมีจิตเกิดขึ้นนะจะทํากุศลบางอย่างในกุศลทานทั้งหลายมีการถวายสละกพัฒเป็นต้นควรทําไวๆควรรีบทํา ท, ท, ทําทันทีเพราะว่าถ้าเราทําก่อนเรา ด้วยคิดว่านะเราต้องทาก่อนเราต้องทําก่อนนะโดยประการที่ชนเรอื่นจะไม่ได้โอกาสต้องรีบทำเลยแย่งบุญคนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวคนอื่นทําก่อนเราถ้าเกิดเป็นพระเป็นบรรพชิตนะเมื่อทําวัดทั้งหลายมีอุปชัยวัดเป็นต้นเนี่ยไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นเลยควรรีบกระทำะด้วยคิดว่าเราทาก่อนเราทาก่อนนะ คำว่าปลาปาจิตตังนี่นะจิตจากบาปเนี่ยบุคคลพึงห้ามจิตจากบาปมีกายกายุจริตเป็นต้นหรืออกุศลจิตตุบาตเนี่ยในที่ทุกสถานส่วนคำว่าทันทางหิคารโตเพราะว่าเมื่อบุคคลทำบุญช้าเนี่ยก็ผู้ใดคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้จกให้ผล น, นี้จากสำเร็จแกเราหรือไม่เนี่มัวแต่ลังเลนะชื่อว่าทาบุญชา้าเหมือนบุคคลเดินทางลื่น บาปของบุคคลนั้นย่อมให้โอกาสเหมือนกับอมัจเฉระจิตที่เกิดขึ้นมากมายของจุเลกสาดกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะใจของเขาก็ยินดีในบาปในขนาดช่วงเวลาไม่นานนะโยนะเพราะว่าในเวลาที่ทํากุศ ล, ลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลผลจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่บาปทันทีเลยนะในจบ ในเวลาที่จบคาถานะชนจำนวนมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปิผลเป็นต้นแล้วก็เว้นเราไปใครมีตัวมัฉริยะอยู่ในใจมากหมมากมเป็นธรรมะที่ควรกำจัดหรือควรเจริญวิธีการกำจัดใชอยังไงใช่ยังไงถ้าเกิดมันเกิดห่วงในสิ่งนี้วิธีกำจัดจะกำจัดยังไงดีก็กำจัดที่ตั้งมันเอมันชอบตั้งดีนะักในวัตถุชิ้นนี้ ก็ทำลายที่ตั้งซะดีไหมใช้ปัญญาทำลายที่ตั้งเลยความความตนหนีและความประหม่าก็จะแก่ความตนหนีที่มีการปกปิดสมบัติของตนไว้เป็นลักษณะถ้าดูลักษณะของความความตนหนีนี่นีในชั้นของท่านให้ตรวจสอบลักษณะของความตนหนีความตันหนีนี่เกิดร่วมกับโทสะเกิดร่วมกับโทสะเป็นธรรมชาติที่ต้องต้องละเนี่ยเาเกิดเกิดเกิดเกิดร่วมกับโทสะเขาเป็นตระกูลเดียวกับโทสะนะ มัฉริยะในความตันีเนี่ยมัชจรังรัตทานังวาเป็นต้นเหล่านี้เนีปิดบังทรัพย์สมบัติของตนที่ได้แล้วที่ได้แล้วแล้วก็ได้อยู่แล้วก็จักได้มันสามการเลยเนี่ยตัวมัฉริยะได้มาแล้วก็ปิดได้อยู่ปิดอีกจักได้ถ้าจักได้สมมุติว่ามีหวังว่าจะได้เน่ปิดและไม่ให้คนอื่นรู้นี่เราจะต้องทําให้ได้ก่อนใช่ไหมมัฉริยะนี่ปิดสามการนะที่ได้มาแล้วนี่ก็ปิด ปิดบังว่าเราได้อย่างไรอย่างไรอ่างต่างกลัว ค, คนอื่นจะรู้ช่องทางการได้ทรัพย์อย่างเราเพอได้ทรัพย์เรากําลังปกครองทรัพย์นั้นอยู่ใช่ไหมแล้วก็ปิดอีกลักษณะของมัจฉริยะก็ปิดตรงนั้นแหละปิดบงังทรัพย์ที่ได้อยู่แล้วก็รู้ว่าช่องทางในการที่จะได้ทรัพย์อย่างไรก็ปิดบงังมัจฉริยะก็ปิดบงังซ่อนเลน์ไม่ให้คนอื่นคิดวิธีอย่างเราได้ใช่ไหม รู้ช่องทางการหาทรัพย์อย่างเรานี่ลักษณะของมัจฉิยะมีความทนไม่ได้ที่ทรัพย์สมบัตินั้นทุกจะทั่วไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นโอ้ถ้ามันจะเป็นสารณะสาธารณะแก่ บ, บุคคลอื่นมันทนไม่ได้เช่นมีมีที่สักที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะบอกว่า เอาเสรีภาพล้วนแล้วแต่ใครจะไปใช้สอยได้ตามอัธยาศัยใช้ให้เป็นที่สาธารณะเลยโอ้ทนยากเอื่อนดใช่มาทนชบางส่วนอาจจะได้ที่มันมันจําเป็นแล้วก็เอพอได้แต่ถ้าจะให้เป็นของเรายกตัวอย่างชิ้นคนจะเดินผ่านหน้าบ้านกอนโอไม่ได้จริงจรมันเสียความเป็นตัวของตัวเองอะไรยงเงี้มันห่วงมันแล้วก็อาการที่ไม่อยากให้ทรับแก่ผู้อื่นเนี่ยนะอาการที่คมหรือการทําให้จิตให้ ท้อถอยไม่อยากให้ทรัพย์ของตนแก่ผู้อื่นก็คือสภาพที่ให้ผลก็คือความไม่พอใจด้วยความทุกข์ก็เกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุใกล้ก็คือทรัพย์นั่นแหละทรัพย์นั่นแหละทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งภายในและภายนอกพระโพธิสัตว์จะระมัดระวังทรัพย์นี้มากคำว่าระมาดระวังคือไม่ให้ความตันหนีเนี่ยท่านจะต้องคอยสอดส่องแล้วก็ทาลายตลอด ทีนี้ในชั้นของคำสอนใช่มะในชั้นของคำสอนที่ท่านใช้คำว่าถ้าจเจริญทานนากุศลก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้เนะี่ยถ้าจเจริญทานอากุศลเนี่ยนะท่านผู้ที่จะบูชาหรือท่านที่จะให้จิตที่คิดจะให้กับจิตที่คิดจะบูชาเป็นต้นเหล่านี้เป็นในส่วนของทานเป็นต้นนะจะทานศีลภาวนาเป็นต้นเหล่านี้นะ ก็ทําให้จิตผ่องใสในการทั้งปวงทั้งสามการดังกล่าวแล้วที่ท่านใช้คําว่าบุพเพวาทานาสุมโนททางจิตตางภาษาทะเยททวาอตมโนโหติเอสายัตยายาสะสัมปทาก่อนให้ก็มีใจมีใจอะไรก่อนให้ก่อนให้ก็มีใจดีใจใจดีเนี่ยนะขณะให้จิตใจก็เลื่อมใสนะเชื่อมั่นเลื่อมใส ให้แล้วก็เพิ่มใจตัวนั้นเดี๋ยวสับมาจากคำว่าอัตมโนเนี่ยก็คือมีใจเป็นของตนของตนน่แหละความสมบูรณ์แห่งทานจักสมบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์แห่งทานอกุศลเป็นต้นน่นะทานศีลภาวนาเป็นต้นนะถามว่าจะทำจิตอย่างไรจิตถึงจะเลื่อมใสจิตถึงจะผ่องใสสามการได้อย่างนั้นจริง คือจะทำอย่างไรที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นได้จริงในสามการนั้นใช่ไหมใช่ลักษณะของกุศลก็คือลักษณะที่